หอ b a n k p a i t การไปทาธุระ a p s p i r k i m u s a p s r ū p i n i m u s p e r i n a i s ดิฉันอยากไปห้องสมุด a š n o r u eti biblioteca ดิฉันอยากไปร้านขายหนังสือ niina ดิฉันอยากไปแผงขายหนังสือพิมพ์ดิฉันอยากยืมหนังสือ ga ดิฉันอยากซื้อหนังสือ น, นร่องสเดิดิฉันอยากซื้อหนังสือพิมพ์ น, นร่อเลติดิฉันอยากไปห้องสมุดเพื่อจะไปยืมหนังสือฉอนนทิบิมกสดิฉันอยากไปร้านหนังสือเพื่อจะไปซื้อหนังสือ ฉันอยากไปแผงขายหนังสือเพื่อจะซื้อหนังสือพิมพ์ฉันอยากไปร้านแว o นตาฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ต อติเพบซตรดิฉันอยากไปร้านขายขนมปังอนเอติปสเกพยดิฉันอยากซื้อแว่นตาอชนรอาคนดิฉันอยากซื้อผลไม้และผัก ฉันน่าจะเปล่ยนตัวเองส i ดท้ r ยแ้วดิฉันอยากซื้อขนมปังฉัน i ่าจะเปลนบันเดลดูอนดิฉันอยากไปร้านแว่นตาเพื่อจะซื้อแว่นตาฉันน่าจเนเอทออปติกาดิฉันอยากไปซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อผลไม้และผัก Aš น o r i u ร e ja, i t i ทีเพื่อขี่ไปศูนย์กลางเพื่อที่จะซื้ออุจ š าระช u กุ่มดิฉันอยากไปร้านเบเกอรี่เพื่อจะซื้อขนมปังฉนเอทสปยพื่อเดเอนส